จเจริญพรพวกเราทุกคนนะหัวข้อที่จะให้หลวงพ่อพูดนะเป็นเรื่องหัวข้อที่น่าสนใจจริงเรื่องปฏิหารแห่งการตื่นรู้มันมีคำสองคำนะคำว่าตื่นและคำว่ารู้ไม่ใช่คำเดียวกันตื่นเฉยๆแต่ไม่รู้ก็มีรู้แบบไม่ตื่นก็มีคนส่วนใหญ่ไม่ตื่น คนในโลกน้ำเต็มไปด้วยคนหลักคนหลงวันวันฝันฝันทั้ง ท, ง ท, ง ท, งที่ร่างกายมันตื่นแต่จิตใจหลับน้อยคนเหลือเกินที่จะตื่นขึ้นมาได้ทั้งกายทั้งใจถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโอกาสที่เราจะตื่นนี่ยากมากแล้วตื่นแล้วก็รู้ไม่เป็นตื่นเฉย การได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะถือเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเพียงพอเราไม่ได้ยินเราไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคนในโลกนี้มีนับจานวนไม่ท้วนหลายพันล้านคนคนที่เป็นชาวพุทธมีไม่มากแล้วชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธที่จะศึกษาธรรมะยิ่งน้อยลงไปใหญ่ เมื่อก่อนหลวงพ่อบวชใหม่ๆเนะี่ยอยู่เมืองการจะพูดอยู่เรื่อยๆเลยว่าในโลกมันไม่มีคนตื่นหนะาคนตื่นเนี่ยนับตัวได้เลยหายากจริงๆมีแต่คนหลับคนฝันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตหลับจิตไม่เคยตื่นเวลาจิตมันหลับไปจิตมันฝันไปนะมันจะไปรู้เรื่องราวภายนอกรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส รู้เรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งมันจะไปรู้สิ่งเหล่านั้นแต่มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจตนเองได้มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตนเองในคนในโลกนะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพของจิตใจจะไปสู่ความพุ้กุกนั้นไม่มีเลย การจะพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้นั้นต้องจ้องเจริญปัญญาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาในการจะเจริญปัญญาเนี่ยจะต้องเห็นความจริงคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถ้าไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามก็ไม่เรียกว่าเจริญปัญญาไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ มีคนทั่วไปไม่ตื่นคือมันฝันอยู่ตลอดเวลามีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจอย่าว่าแต่จะรู้ความจริงของกายของใจเลยแค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจก็ไม่รู้เสีแล้วอย่างเวลาพวกเราใจลอยสังเกตไหมเวลาเราใจลอยตอนที่เราใจลอยไปนะเราเที่ยวไปรู้สิ่งอื่นๆแต่เราจะไม่รู้ตัวเองตรจุดแรกนะของการปฏิบัติเนี่ย ถ้าเราอยากแะ่พ้นทุกข์อยากได้มากผลนิพพานจริงๆเราต้องตื่นให้เป็นการที่เราจะตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของยากเราต้องมารู้จักสภาวะสามชนิดก่อนชนิดแรกเนี่ยเป็นสภาวะของความหลงชนิดที่สองเป็นสภาวะที่เราเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมกายควบคุมใจกดกายกดใจให้นิ่งสภาวะสองอย่างนี้แหละเป็นตัวปิดกั้นสภาวะ ที่เราจะตื่นขึ้นมาถ้าเราสามารถตื่นได้นะเราก็มาเจริญปัญญามาดูรูปดูนามทำงานได้เกิดรู้ความจริงของรูปของนามได้ปล่อยวางรูปปล่อยวางนามได้ก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ภาวะอันแรกที่เราต้องรู้จักนะภาวะแห่งความหลงคนในโลกนี้หลงทั้งทั้งโลกเลยสัตว์ทั้งหลายก็หลงเวลาพวกเราดูหมาดูแมวนะใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวลองดู เวลามันไม่มีอะไรไหมยุ่งกับมันนะมันชอบใจลอยมันเผลอไปมันหลงไปมันใจลอยไปมันคิดเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ไปคนเราก็เหมือนกันชอบใจลอยเพราะนใจลอยเวลาที่ใจลอยไปเนะี่ยมีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจเราลืมจิตใจนี่คือภาวะที่เลวร้ายที่สุดนะเป็นความที่จิตใจเนะี่ยหลงตามกิเลสไป หลงติดตามความอยากจะดูรูปอยากจะฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากรู้รสนะอยากรู้สัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจใน่ใจมันมีความอยากนั้นมันออกไปสนใจสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมารมทั้งหลายใจหลงไปข้างนอกหลวงปู่ดูนเรียกว่าส่งจิตออกนอกเวลาหลงออกข้างนอกเราก็จะรู้กายรู้ใจไม่ได้เลย เพราะการที่จิตหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับนักปฏิบัติสภาวะอันที่สองที่พวกเราต้องทำความรู้จักก็คือสภาวะแห่งการเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมไว้ประคองไว้กดมันไว้คนทั่วไปมันจะหลงลูกเดียวแต่นักปฏิบัติเนี่ยพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจ เราจะควบภูมกายควบพูมใจของตัวเองตลอดเวลาอย่างเวลาเราเดินเที่ยวเดินเล่นเดินช็อปปิ้งรู้สึกไหมเดินสบายพอคิดถึงการเดินจงกรมเราเดินไม่สบายล่ะเดินแบบแข็งแข็งนะกดตัวเองเอาไว้แข็งแข็งนะเวลานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเราหายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจมาสบายตั้งแต่เกิดพอเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราไปเพ่งลมหายใจหายใจแล้วอึดอัด หายใจเราไม่สบายเนี่ยพอเราคิดถึงการปฏิบัติที่ไรนะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจจิตใจเคยคิดนึกปรุงแต่งพอจะปฏิบัติก็ก็เพ่งเพ่งให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วบังคับมันให้นิ่งๆนี่พวกเราต้องทําความรู้จักสภาวะสองอย่างนี้สภาวะสองอย่างนี้แหละคือศัตรูสําคัญของนักปฏิบัติมันทําให้เราไม่ตื่น สภาวะอันที่หนึ่งคือหลงไปภาวะที่สองคือเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ถ้าหลงไปเราก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจมีกายลืมกายมีใจลืมใจถ้าเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่สามารถแสดงไตรลักษณ์ได้นี่คือศัตรูสองอย่างนะของการปฏิบัติเพราะว่าการเจริญปัญญานนะั้หลวงพ่อบอกแล้วว่าเราต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจ ถ้าเราใจลอยเราเผลอไปเราลืมตัวเองลืมรูปลืมนามลืมกายลืมใจถ้าเราไปเพ่งกายเพ่งใจไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงใจหลักอันนี้เป็นหัวข้อส่วนที่หนึ่งนะที่หลวงพ่ออยากจะฝากพวกเราให้ทาความรู้จักสภาวะสองอย่างนี้ให้ดีถ้าเมื่อไรจิตไม่หลงไปเพ่งนะจิตไม่เผลอไปแล้วก็ไม่หลงไปเพ่งเมื่อนั้นแหละเป็นภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้น แต่นี้ขอแทรกโฆษณา น, นิดหน่อยพวกเราฟังธรรมนะฟังด้วยความสำรวมอย่าถ่ายรูปนะขอร้องว่าอย่าถ่ายรูปการฟังธรรมะในภาคปฏิบัตินะั้นต้องฟังด้วยสมาธิถ้าจิตใจของพวกเราวอกแวกนะธรรมะ ม, มันจะวอกแวกไปด้วยถ้าหลวงพ่อไม่มีสคริปต์หรอกงั้นเราฟังด้วยความสำรวมจริงๆนะฟังด้วยจิตใจที่สงบ จิตใจที่เบิกบานรู้ตื่นสงบสบายกระแสธรรมะมันจะราบเรื่นธรรมะจะเข้าสู่ใจของเราอย่างง่ายงาย่ง่ายกว่าที่คิดง่ายกว่าที่คิดเคยได้ยินคําว่าการถ่ายทอดธรรมะจากจิตสู่จิตไหมมันมีจริงๆรงนะถ้าจิตของเราไม่มีคุณภาพเนี่ยธรรมะเสียหายหมดเลยธรรมะไม่มีคุณภาพเลยงั้นเรา คนไหนมีมือถือนะปิดเสียงซะคนไหนมีกล้องถ่ายรูปก็อย่าเพิ่งถ่ายนะเนี่หลวงพ่ออุตษา์เทศให้จบไปท่อดหนึ่งก่อนนะว่าสิ่งที่ทําให้เราไม่ตื่นนะมีสองอันอันที่หนึ่งก็คือเราหลงไปเราลืมกายเราลืมใจอันที่สองคือเราเพ่งกายเราเพ่งใจนะครั้งหนึ่งมีเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปตูนถามพระพุทธเจ้า ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอค่ได้อย่างไรโอค่คือห่วงน้ำห่วงกิเลสนั่นเองก็ะจะพูดภาษาให้ง่ายๆก็คือพระองค์ปฏิบัติอย่างไรจึงบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตอบเทวดาบอกดูก่อนท่านผู้นิรุกุกเราข้ามโอค่ได้โดยเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยเทวดาฟังแล้วก็งงนะให้ไม่พักอยู่นี่ก็คือให้ขยันภาวนาเนี่ยเข้าใจ ไม่พักพักเนี่ยขี้เกียจใช่ไหมบอกถ้าพักอยู่ขี้เกียจภาวานามไม่เจริญเนี่ยอันนี้เข้าใจง่ายแต่ตรงที่ท่านบอกไม่เพียนเทว ด, ดางงทำไมไม่ให้เพียนบอกเรามีแต่ว่าต้องเพียนให้มากเราจะบรรลุเทว ด, ดาก็ถามพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยขยายความหน่อยพระพุทธเจ้าท่านก็ขยายความให้บอกถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นมมีฟูมีแฟบนะ จิตมันฟูขึ้นแฟบลงไปด้วยถ้ามันฟูฟูแฟบแฟบอยู่นี่ก็ข้ามโอคาข้ามกิเลสไม่ได้จริงท่านบอกว่าเราไม่พักอยู่เราไม่เพียรอยู่นะเราข้ามโอคะได้ด้วยเหตุนี้คาว่าพักอยู่ก็คือการที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสจิตมันจะหลงออกนอกไปอยากดูรูปก็วิ่งไปดูอยากฟังเสียงก็วิ่งไปฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสก็วิ่งไปสแสวงหาอารมณ์ภายนอก อยาคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งก็ปล่อยให้ใจคิดเรื่ อ, อยๆไปทั้งวันทั้งคืนอันเนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่ามันหลงไปนั่นเองถ้าเรายัางหลงอยู่ทรงจิตออกไปนะเที่ยวแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่อยไปเนะี่ยมันลืมกายมันลืมใจไม่สามารถรู้กายรู้ใจตนเองได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราพักอยู่นะเราจะจมลงจมไปไหนถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส เราจะจมไปสู่อาบายจะสู่อาบายชีวิตเราจะตกต่ำจิตใจเราจะตกต่ําลงถ้าเราเพียรอยู่อะไรคือคําว่าเพียรอาาัตถกถาท่านก็อธิบายว่าหมายถึงอัตตะกิลมัทธานุโยคการบังคับตัวเองกดข่มตัวเองทําตัวเองให้ลําบากถ้าเพียรอยู่แล้วจะลอยขึ้นลอยไปไหนลอยไปสุขติลอยไปสุขติไม่ดียังไงก็ไม่ไปนิพพาน ไม่ไปนิพพานงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จมลงไม่ลอยขึ้นไม่ไปทุคติไม่ไปสุขติท่านไปนิพพานเวลาที่เราจะปฏิบัติเราก็จะต้องตื่นขึ้นมาให้ได้นะให้จิตหลุดออกจากการเผลอไปกับจิตหลุดจากการเพ่งเอาไว้คนไม่ปฏิบัตินะีมันเผลออย่างเดียวแต่นักปฏิบัติถ้าไม่เผลอก็เพ่งจะมีสองอย่าง สังเกตดูจิตใจของเราเวลาเราลงมือปฏิบัติจริงเดี๋ยวก็เผลอพอเรารู้ว่าเผลอี่ยตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นแวบหนึ่งหังจากนั้นกลัวจะเผลออีกมันก็จะไปเพ่งเนี่ยจิตเนี่ยจะฟุบแฟบลงไปนะแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็จมลงไปแล้วก็ฟูขึ้นมาในนี้สลับกันตลอดเวลาเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยอยู่นั่นเองวิธีการที่เราจะตื่นขึ้นมามันไม่ยากหรอก ถ้าไม่รู้เคล็ดลับก็ยากถ้ารู้เคล็ดลับแล้วภาวะแห่งความตื่นเนี่ยไม่ยากเลยภาวะแห่งความตื่นมันตรงข้ามกับภาวะแห่งความหลับความหลับความหลงความเผลอลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจแล้วภาวะแห่งความตื่นก็ไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจไปมันมันตรงข้ามกับความเผลอกับการเพ่งนั่นเองเรามีวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆที่จะฝึกตัวเองให้ตื่น วิธีที่จะฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตตนเองคนไหนถนัดพุดโทโธเราพุโทโธแต่ไม่ใช่พุโทโธเพื่อให้จิตสงบอย่างเดียวเราพุโทโธแล้วรู้ทันจิตพุโทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันพุโทโธไว้จิตไปเพ่งจนกระทั่งมันนิ่งไปแล้วก็รู้ทันว่าไปเพ่งแล้วเผลอไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้ คนไหนถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจไปสบายๆพอหายใจไปจิตเผลอไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าจิตเผลอไปหายใจไปจิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจไปเพ่งลมหายใจพวกเราลองสังเกตดูเวลาเราฝึกอานาปนานสติเลยนะเวลาเราหายใจนะจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละจิตไม่ตื่นหรอกจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตื่นนะจิตหลงจิตไหลไหลไปเพ่ง หลงไปไหลไปมีสองอันนะไหลเฟลอไปเลยสเปสสปะก็ไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าไปเพ่งเป็นจิตที่หลงหลงทั้งสองข้างนะแต่ข้างหนึ่งหลงดีข้างหนึ่งหลงเลวหลงสเปสสปะไปนั้หลงเลวหลงไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นหลงดีไปสุภติให้เราคอยรู้ทันนะขไหนเล่นพองยุบก็ได้ดูจิตที่พองดูจิตที่ยุบ เราหายใจไปดูเห็นท้องพองท้องยุบนะแล้วรู้ทันจิตรู้จิตไปดูพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูพองยุบไปนะจิตไปเพ่งอยู่รู้ทันคอยรู้ทันจิตของตนเองจิตเผลอไปรู้ทันจิตเพ่งอยู่รู้ทันคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินจงกรมไปแล้วจิตเผลอไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งเท้ารู้ทันบางคน่าไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้า ถ้าเรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่มันหลงไปจิตที่มันไหลไปไหลสเปสปะก็เรียกว่าเผลอไปหลงไปไหลไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าเพ่งแต่ทั้งคู่นี้คือจิตเคลื่อนไปทั้งสิ้นจิตไหลไปทั้งสิ้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตจะรู้จะตื่นจะเบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวเนี้ตัวสําคัญถ้าเราไม่สามารถ ลูกจิตของเราให้ตื่นได้โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยังไม่มีหรอกเราต้องฝึกตัวเองจนกระทั่งจิตของเราเปลี่ยนจากผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องฝึกให้ได้นะไม่ยากเลยคอยรู้ทันจิตบ่อยๆพุโทโธไปหายใจไปดูพองยุบไปนะขยับมือทาจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ไม่ได้ไปเพ่งใส่มือ ขยับมือไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งที่มือรู้ทันอะไรก็ได้กรรมฐานหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตในที่สุดจิตจะตั้งมั่นการที่เราทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะมีเชื่อหนึ่งว่าจิตสิกขาการเรียนเรื่องจิตสิ่งที่จะได้มาจากการเรียนรู้เรื่องจิตก็คือสมาธิสมาธิก็คือภาวะแห่งความตั้งมั่น จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้าจิตเป็นผู้เผลอไปเนี่ยมันเป็นผู้คิดผู้นึกนะเป็นผู้ปรุงผู้แต่งด้วยถ้าไปเพ่งไว้เนี่ยไม่คิดไม่นึกอะไรหรอกแต่ปรุงแต่งความสงบขึ้นมาปรุงแต่งการเพ่งขึ้นมาเงี้นเราต้องรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปหลงไปคิดรู้ทันหลงไปเพ่งรู้ทันตรงที่รู้ทันนั้นภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ฝึกบ่อยๆจนทั่งจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทั้งวันเลยสมัยหลวงพ่อเป็นคารวะนะนี่เป็นตัวอย่างหลวงพ่อเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้นะไม่ได้พูดแบบอีโก้เลยนะเป็นตัวอย่างที่ว่าคารวะก็ปฏิบัติทาได้หลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่เป็นโยมเหมือนพวกเรานี่แหละเช้าขึ้นมาก็ไปทำงานเย็นก็กลับมาบ้านเหมือนชีวิตพวกเราอย่างนี้เองแต่หลวงพ่อพยายามฝึก ตัวเองอยู่เรื่อยๆนีจิตเนี่ยมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อได้เจอหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้นะเป็นฉายาหลวงพ่อเลยว่าผู้รู้ผู้รู้เพราะอะไรเพาะเราไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเรารู้สึกตัวบ่อยๆฝึกรู้สึกตัวให้มากๆพอเรารู้สึกตัวได้มากๆแล้วเนี่ย เราตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้แต่ว่ามันยังแค่รู้ตัวอยู่เฉยๆเราจะต้องมารู้ความจริงของชีวิตต่อไปภาวะการปฏิบัตินั้นมันเลยมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาขั้นตอนที่สองเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาเดินเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริง ของรูปของนามของกายของใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราก็คือรูป น, นามคือกายกับใจเหล่านี้เองเรามาเรียนรู้ความจริงของมันความจริงของมันคือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างความจริงของร่างกายเนี่ยไม่ใช่ปฏิกรูปัสุภะนะบางคนบอกว่าเจริญวิปัสสนาด้วยการดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภาษะที่ควรอาสุภาะไม่ใช่วิปัสสนาคำว่าปฏิกรูคือว่าอสุภาษะอะไรไม่มีสภาวธรรมอะไรรองรับเลย จะต้องดูสภาวะสิ่งที่มันมีสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมนั้นจะแสดงไตรลักษ์อยู่ตลอดเวลาไตรลักษ์นั้นแสดงตัวอยู่แล้วในกายนี้ไตรลักษ์นั้นแสดงตัวอยู่แล้วในจิตใจนี้แต่เราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองเราไม่รู้วิธีทีท่จะรู้ไตรลักษ์ในกายในใจสิ่งนี้สำคัญมากเราจะต้องรู้วิธีที่จะรู้ไตรลักษ์ของกายของใจ ถ้าไม่รู้วิธีที่จะรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะรู้ตัวอยู่แล้วนะก็ไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้จะไปรู้ตัวอยู่เฉยๆเพราะฉั้นตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวอยู่เฉยๆเนี่ไม่พอต้องสามารถพัฒนาความสามารถของจิตให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจให้ได้บางคนซึ่งมีวาสนาบารมีเคยสะสมปัญญามาแต่ชาติก่อนๆชาติก่อนมีจริงๆนะ ไม่ใช่พูดเล่นๆหรอกคนที่เคยสะสมการเจริญปัญญามาพอจิตตื่นขึ้นเท่านั้นนะขันเนี่ยจะแยกตัวออกอัตโนมัติเลยพอจิตตื่นปุ๊บรู้ตัวตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นอะไรร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นเองเลยบางคนก็เห็นลึกลงไปอีก ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งบางคนเห็นละเอียดขึ้นไปอีกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุข ค, ความทุกข์ในกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเป็นอีกส่วนหนึ่งบางคนแยกได้ละเอียดขึ้นไปอีกเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์ในกายในใจเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วที่เกิดขึ้นกับจิต เช่นกุศลอกุศลทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเป็นอีกส่วนหนึ่งนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยคนไหนที่มีบารมีเก่ามาพอจิตตื่นขึ้นมาจิตตื่นไม่ยากอะไรนะ ร, รู้ว่าจิตหนีไปคิดท่านนะจิตก็ตื่นแล้วจิตไหลไปทันทีที่รู้ว่าจิตมันไหลไปจิตมันหลงไปนะจิตตื่นมันก็เกิดขึ้นแล้วนี่คนไหนบารมีพอนะพอมันตื่นปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นขันแยกออกไปรูปธรรม นะส่วนรูปธรรมนะเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตแยกออกจากกันเลยพอแยกออกจากกันแล้วแต่ละขันแต่ละขันนะั้นจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้ามันรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างพวกเราที่ไม่เคยฝึกแยกธาตุแยกขันเกิดมาก็เป็นมนุษย์อย่างนี้ธรรมดาอยู่ยางนี้ขันห้ารวมกันมาเป็นตัวเราดูยังไงมันก็ตัวเราอย่างมากก็แค่คิดเอาว่า ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แค่คิดเอานะไม่สามารถเห็นสภาวะจริงๆไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์จริงๆนะนั้นต้องฝึกนี่บางคนถ้ามีบา ร, รมีพอแล้วนะจิตตื่นปับ๊บขันแยกเลยถ้าขันไม่แยกต้องช่วยมันแยกมันมีวิจีช่วยนะตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนะวันแรก 6กภุมพา2 5พันยี่สิบห้าก่อนนน้นนั้นทำแต่สมถะตั้งแต่ปีสอง2ห้าอสองทำอนาปนาสติลูกเดียวเลยได้แต่สมถะนะทำความสงบอย่างเดียวไม่มเดินปัญญาไม่เป็นหรอกมาหกภุมพาพันรยี่ห้าไปหาหลวงปู่ดุลทัานสอนให้หัดดูจิตตนเองพอได้ยินคำนี้เท่านั้นนะหลวงพ่อเขามานึกเลยว่าจิตต้องอยู่ในร่างกาย จิตต้องอยู่ในร่างกายจิตไม่เกินร่างกายออกไปต่อไปนี้นะเราจะค่อยรู้อยู่ไม่ให้เกินกายออกไปค่อยจะเรียนรู้อยู่ไม่ให้เกินกายออกไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆสังเกตผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันเป็นวัตถุมันไม่ใช่จิตหรอกเห็นอะไรร่างกายไม่ใช่จิตหรอกจิตอยู่ในร่างกายแต่ร่างกายไม่ใช่จิตดูไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์ดับไปให้ดูก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้ดู ก็รู้อีกความสุขความทุกข์นะก็ไม่ใช่จิตหรอกดูไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งตอนนั้นนึกบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธก ร, รุณามหันโนโวคิดบทสวดมนต์นะเห็นจิตที่คิดบทสวดมนต์พอ ร, รู้ว่าจิตคิดบทสวดมนต์ท่านะั้นจิตรู้มันดีดตัวขึ้นมาเลยพอขึ้นมาแล้วอ๋อมันก็ไอ้ตัวเก่าซึ่งเราเคยทํามาจากการทําสมาธินั่นเองตัวเดียวกันนั้นตัวรู้เนี่ยมันเกิดได้สองอย่างนะเกิดมาจากการทําสมาธิ ที่ถูกต้องนะสมาธิที่ประกอบด้วยสติไม่ขาดสติถ้าสมาธิขาดสติตัวรู้ไม่เกิดหรือว่าจะเกิดด้วยการที่เรารู้ทันจิตที่คิดก็ได้อย่างจิตมันคิดบทส่วนมรารู้ทันปุ๊บตัวรู้มันดีดออกม า, มาเลยพอตัวรู้มันดีดออกมานะนก็เห็นในร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนของความสุขความทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตกุศลอกุศลนะก็อยู่ส่วนของกุศลอกุศล ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตเนี่ยขันมันแตกออกมานะขันมันกระจายออกมาเพรอขันมันกระจายออกมาแล้วตอนแรกภาวนาไม่เป็นก็คิดแต่ว่าหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะก็เลยไปเพ่งใส่จิตเอาไว้ตัวเดียวท่านบอกว่าทําผิดแล้วที่จริงไม่มีอะไรมากหรอกเราปล่อยให้ขันมันทํางานนะแต่เรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตใจของเราเป็นคนดูเห็นขันห้าเขาทำงานไป อยางเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าจิตของเราเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นมามันดับไปในร่างกายเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ดับไปจากจิตใจเห็นกุศลนักกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ดับไปจากจิตใจเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6จิตเดียวก็เกิดที่ตาวิ่งไปดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยวก็วิ่งไปดมกลิ่นรีบวิ่งไปลิมรส วิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจนะเห็นจิตเนี่ยออกรับอารมณ์ทางทวารทั้งหกการที่จิตเรารู้ทันจิตที่ออกรับอารมณ์ทางทวารทนะั้งหกเรียกว่าเรารู้เท่าทันในวิญญาณขันธ์องวิญญาณวิญญาณก็คือตัวจิตนั่นเองเป็นจิตที่รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกการที่เราคอยรู้คอยเห็นเนืองเนืองนะเราจะเห็นนะร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรา พอพวกเราจิตตื่นขึ้นมาแล้วนะั้นหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเนะี่ยถ้าสติะระลึกลงในร่างกายเราจะเห็นทันทีว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยไม่ต้องคิดนำเลยนะเพราะฉะั้นถ้าใจเราหลุด อ, ออกจากความคิดเรารู้สึกตัวได้เนะี่ยถ้าสติะระลึกลงไปที่กายจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มันต้องไม่เจตนาระลึกนะพยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆจกนกระทั่งสติอัตโนมัติมันเกิดมาระลึกในร่างกายขึ้นมาเอง ยัง zzarella. มีคนมาส่งกันบ้านหอวงพ่อไปแปลงฝันแปลงฝันแปลงฝันไปแปลงฝันมานะเห็นมือที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่มือของเราละหรือบางคนตื่นนอนขึ้นมานะตื่นขึ้นมาปุ๊บเห็นร่างกายมันนอนอยู่นะเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งนอนอยู่เป็นท่อนๆนไม่ใช่คนละเนี่ยจิตที่มันหลุ ด, ดออกมาจากโลกของความคิดแล้วสติระลึกลงในร่างกายก็จะเห็นทันทีร่างกายเหมือนท่อ น, อนไม้ท่อนฟืน ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาฟังแล้วยากนะแต่ปฏิบัติไม่ยากหรอกตื่นให้เป็นก็แล้วกันตื่นให้ได้วิธีจะตื่นขึ้นมาก็รู้ทันจิตที่มันหลงไปคิดนั่นแหละมันจะตื่นง่ายพอรู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาแล้วถ้าสติเกิดะระลึกเห็นร่างกายนะจะเห็นทันทีเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องมีใครมาบอกเลยมันจะรู้สึกด้วยตัวเองนะหรือเห็นไปเกิดสติะระลึกไปที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ มันจะเห็นทันทีเลยว่าความรู้สึกสุขทุกข์ในกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในใจเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นอัตโนมัติเลยเวลากุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นสติระลึกไปที่ความโลภความโกรธความหลงจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่จิตไม่ไหลไปที่ความโลภความโกรธความหลง พอจิตตั้งมั่นอยู่นี่มัจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตอีกไม่ใช่ตัวเราด้วยเป็นแค่สภาวะอันหนึ่งเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือเวลาที่จิตไปเกิดที่ตาจิตวิ่งไปดูรูปจิตวิ่งไปฟังเสียงจิตวิ่งไปดมกลิ่นนะจิตวิ่งไปรู้รสจิตวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายจิตวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง เรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราจะเห็นเลยว่าจิตมันเวียนเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกจิตที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกเป็นแค่สภาวะธรรมแต่และอย่างแต่และอย่างเป็นคนละนกันจิตที่เกิดที่ตาดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดที่หูดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดที่ใจคือไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไป มีแต่สภาวะธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาการที่เรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสติระลึกรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราลึกรู้ลงไปมันจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเห็นที่แรกจะตกใจบางคนตกใจบางคนกลัวว่าตัวเราหายไปไหน บางคนเลิกปฏิบัติไปเลยนี่พวกมีเวรกรรมนำทางไปที่อื่นเลยภาวนามาได้อย่างดีแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าไม่มีตัวเราตกใจเลิกปฏิบัติไปน่าเสียดายที่สุดฉนั้นหัดภาวนาทีแรกอย่าพบว่าตัวเราหายไปอย่าตกใจอย่าไปกลัวมันนะแค่รู้เท่านั้นเองจริงๆแล้วตัวเราไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรนะมีแต่ความสำคัญผิดว่ามีตัวเรา พอจิตเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติระลึกรู้กลนะรู้รูปรู้เวทนารู้สังขารรู้จิตอะไรเนียสติระลึกรู้ลงไปจะเห็นเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุทั้งสิ้นเลยพอเราเห็นนะเราจิตใจซ้าแล้วซ้ำอีกนะจิตใจมันจะยอมรับได้ เราไปจิตยอมรับได้ว่าตัวเราไม่มีหรอกค่อยฝึกมากเข้ามากเข้านะบางคนใช้เวลาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเลยนะ่ก็ยอมรับได้ว่าตัวเราไม่มีเป็นความเห็นถูกต้องแน่นแฟนไม่มีคลอนแคลนอีกแล้วตัวเราไม่มีเวลารู้สึกว่าตัวเราไม่มีนะเวลามองเข้ามาในตัวเองจะรู้สึกกลวงๆนะกลวงๆของเรามองเข้าไปตันนี้สิตันตันรู้สึกไหมกูเต็มๆ เ, เลยมีตัวกูเต็มๆ เ, เลยเราได้ธรรมะแล้วนะ เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยดูลงมาในตัวเองเนะี่ยกลวงๆมันกลวงมันว่างจากความมีตัวมีตนร่างกายนี้ก็เป็นแค่ตัวอะไรตัวหนึ่งกลวงๆนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็กลวงๆไม่มีอะไรจริงจังเหมือนภาพลวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดนะเป็นมายาทั้งหมดเลยแค่เห็นนะตัวตนที่แท้จริงไม่มีถ้าเราภาวนาต่อไปอีกนะแค่นี้ก็ได้เรื่อว่า เอาตัวรอดได้ละปิดอบายได้ละแต่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรอกถ้าเราภาวนาต่อไปเรามีความรู้สึกตัวตื่นนี่แหละแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อไปเนี่ปฏิหารมันมีเป็นขั้นๆ น, นะอย่างที่แรกเราไม่เคยตื่นเลยเรารู้ทันจิตที่เผลอไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาแค่นี้ก็อาจสจัจจร์มากแล้วนี่ปฏิหารขั้นที่หนึ่งเลยนะถัดจากนั้นเราก็ามาดูต่อไปพอจิตมันตื่นแล้วนะ เราดูลงไปในธาตุในขันธ์นะธาตุขันก็แตกตัวกระจายออกไปไม่ใช่เป็นก้อนเดียวกันอีกแล้วแต่มันแตกออกไปห้ากองเป็นขันธ์ห้าบางคนแตกเป็นอายตนาหกนะบางคนแตกเป็นธาตุสิบแปดแตกเป็นอินทรียี่สิบสองแตกแบบไหนก็ได้รวมแล้วก็คือมันมีรูปขนามแยกออกจากกันเป็นส่วนส่วนส่วนไปเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่กายกับจิตแยกออกจากกันได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เวทนาก็แยกออกไปได้ เป็รื่องอัศจรรย์ที่สังขารที่สัญญาก็แยกออกไปได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เราเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหได้นี่ก็เป็นปฏิหารขั้นที่สองนะจากการที่เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีแรกนะเราเราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราฝันอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยตื่นเลยคนในโลกอะพอเรารู้ทันจิตที่คิดเราก็ตื่นขึ้นมานี่ก็อัศจรรย์ขั้นที่หนึ่งแล้วพออัศจรรย์ขั้นที่สองนะเรามาแยกขันออกไป ขันแต่ละขันนะร่างกายส่วนร่างกายแยกได้นะอย่างเดินอยู่นี่ยเราเห็นเหมือนคนอื่นเดินเลยอศัศจรย์จริงๆถ้าเราเห็นร่างกายเหมือนเป็นคนอื่นแล้วใครมันแก่ใครมันเจ็บใครมันตายล่ะไอ้ตัวร่างกายนี่มันแก่มันเจ็บมันตายนะไม่เกี่ยวอ <med S 1> <Avec S 2> <ล>ะไรกับเราเลยไม่ทุกนะไม่ทุกเพราะกายอีกต่อไปเลยนะแยกได้นะดูไปเรื่อยแยกขันไปเรื่อยนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรย์ น, ไนะไม่มีในคําสอนของผู้อื่นเลยมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะสอนให้เราแยกธาตุแยกขันได้ ะยะแยกธาตุแยกขันได้แล้ววันหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาแล้วเพระว่าไม่มีตัวเรานี่ก็อัศจรรย์อีกแล้วเป็นปฏิหารแบบอัศจรรย์น้มันึกไม่ถึงเลยว่าแบบนี้ก็มีด้วยหรือเดินอยู่แท้ๆนะจะไม่มีเราเดินทุกข์อยู่แท้ๆนะเห็นขันมันทุกข์อยู่แต่ไม่มีเราทุกข์มันไม่มีเรามีปรากฏการ์แต่ไม่มีเจ้าของปรากฏการ์เป็นเรื่องปฏิหารทางนั้นเลยนะแต่ยังไม่สิ้นสุดปฏิหารมากกว่านี้ยังมีอีก ถ้าเราจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแนละ้วดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยใช้หลักที่หลวงพอ่อพูดเรื่อยๆนั่นเองคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ตื่นขึ้นมานั่ น, น, นเองจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ <te> e> ิกบานนั่นแหละมันตั้งมั่นมันเป็นกลางจิตที่ไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ตั้งมั่นมันไหลไปไหลมาแล้วก็ยินดียินร้ายไปกับโลก เนี่ยพอเรามีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะดูมันความจริงของกายของใจรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถึงจุดหนึ่งเนี่ยเบื้องต้นมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องปลายมันจะเห็นว่าขันทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์จะเห็นอย่างนั้นเลยจะเห็นว่าขันทั้งห้าเป็นของเหลวไหลไหลสาระไม่ควรค่าแห่งการยึดถือเลยจะเห็นเอง ถ้าเมื่อไรเราพาวนานะถึงจุดที่มันเห็นขันห้าเป็นของไร้สาระเนี่ยมันจะปล่อยวางขันห้าได้อยู่ๆเราจะไปบอกว่าเราจะไม่ยึดโน่นจะไม่ยึดนี่มันทําไม่ได้จริงหรอกมันได้แต่พูดก็จิตมันยึดนะจะมาบอกว่าฉันจะไม่ยึดโน่นฉันจะไม่ยึดนี่เมื่อก่อนมีคนหนึ่งชื่อทีคณัคขะเป็นหลานพระสารีบุตรด้วยซ้ำไปไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่า สิทั้งหลายทั้งพวกไม่ควรกับข้าพระองค์คือไปอวดบอกฉันไม่ยึดอะไรเลย น, นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปยึดว่าฉันจะไม่ยึดอะไรด้วยนะอันนี้ก็ไม่คู่ควรกับท่านเหมือนกันแกก็เลยรู้ว่าแกยังยึดความไม่ยึดนะเพราะฉนั้นอยู่ๆเราจะบอกเราไม่ยึดเราไม่ยึดไนดะ้แต่พูดหรอกจริงๆยึดเราต้องมาเห็นความจริงเห็นทุกเห็นโทษของขันนะเห็นทุกเห็นโทษของรูปของนามของกายของใจของขันของาธาตุของอายตนะแล้วแต่เราจะแยก แยกสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นขันก็ได้แยกสิ่งที่ตัวเราเรียกว่าตัวเราเป็นธาตุก็ได้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นอายตนะก็ได้แล้วแต่มุมที่จะแยกแต่ละคนแยกไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันด้วยแต่รวมความแล้วก็คือมันไม่ใช่ตัวเดียวจะกระจายตัวออกไปแล้วจะเห็นเลยว่ามันไม่ดีเบื้องต้นเห็นก่อนไม่ใช่เราเบื้องปลายจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของดีของพิเศษบางท่านที่จริญนิสัยเป็นพวกศรัทธาแก่กล้า คนที่ศรัทธาแก่กล้าเนี่ยจะมาตรฐานสูงังเห็นไหมพวกที่ศรัทธามากเนี่ยเสื่อมศรัทธาง่ายนึกออกไหมถ้าพวกศรัทธาแก่กล้านะไปเห็นความจริงว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเห็นเลยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วเห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเห็นจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นแค่นี้ก็ยอมโยนทิง้งละมันของไม่ดีจริงไม่ได้มาตรฐานงั้นพวกที่ศรัทธามากๆนี่นะแค่เห็นอ น, นิจจังเนี่ยนะปล่อยวางละ ยอมละแต่ถ้าพวกทรงสมาธิมากๆนะทรงฌานมากๆเนี่ยต้องเห็นทุกข์พอเวลาภาวนาไปนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตที่มันทรงสมาธิทรงฌานอยู่มันมีแต่ความสุขอะไรอะไรโลกนี้เป็นทุกข์หมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวมีแต่ความสุขล้วนๆมันไม่ปล่อยจิตหรอกพอภาวนาไปนะถ้ามันแก่รอบจริงๆจิตมันไหวตัวพลิกตัวปั๊บนะ จากตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นถึงขนาดนี้นะในสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่หยั่งเท้าลงเลยมีแต่ที่ที่มีความทุกข์ไม่มีที่ที่จะหยั่งเท้าลงไปแล้วมีความสุขได้เลยเนี่ยจิตเห็นทุกข์ขนาดนี้นะจิตถึง ย, ยอมปล่อยวางจิตได้นะบางท่านมีปัญญากล้าเห็นว่ามันเป็นอนัตตาจิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจ จิตนี้บังคับไม่ได้ท่านเห็นแค่นี้ท่านก็ยอมปล่อยละนี่พวกเราจะปล่อยในมุมใดอย่างไม่แน่เราก็ภารณามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมัน่นด้วยจิตที่เป็นกลางเรื่อยไปหัดรู้หัดดูของเราเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเบื้องต้นมันจะละความเห็นจิตว่ามีเราะถัดไปมันจะเห็นในร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปล่อยวางความยึดถือในกาย ก็เข้ามายึดถืออยู่ที่จิตอันเดียวต่อมาก็จะไปเห็นความจริงเองตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์บางคนเห็นจิตเป็นอนิจจังก็ปล่อยบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์ก็ปล่อยบางคนเห็นจิตเป็นอนาัตตาก็ปล่อยเมื่อปล่อยวางจิตได้แล้วจะไม่มีอะไรที่จะยึดถืออยู่อีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดนะก็คือจิตนั่นแหละเพราะฉั้นถ้าปล่อยวางจิตได้เมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นหลวงพู ด, ดูนเคยสอนหลวงพ่อไว้ท่านรู้ว่าเรา ชอบทำสมาธินะเดี๋ยวก็จะไปติดอยู่ที่ตัวผู้รู้จะรักษาแต่ตัวผู้รู้ท่านก็สอนเลยบอกว่าพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงคำว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตไม่ใช่ไปทำลายตัวมันทำลายความยึดมั่นมันเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแต่จิตเราจะเห็นนะ เราเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะไปเห็นมุมไหนนะเราเห็นมันเกินดับไปธรรมดานี่เองแต่นาทีสุดท้ายแนละ้วมันจะพลิกเข้าไปมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษ์แล้วมันเห็นความจริงเลยจิตผู้รู้นะั้นอะ่ะไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะั้นแะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษ์มันจะสลัดคืนจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้โลกไป เนไหมเบื้องต้นหลวงพ่อบอกให้พวกเราฝึกให้มีจิตผู้รู้รู้ออกไหมต้องฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากการเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้รู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันจิตที่ไหลไปก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาพอมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็มาหัดแยกคาดแยกขันเห็นกายอยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสังขารอยู่ส่วนสังขารจิตอยู่ส่วนจิตเห็นขันห้าเห็น มันทํางานไปเรื่อยนะเห็นมันทํางานมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมีแต่สภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีเหตุก็เกิดโมทิเตุก็ดับบังคับไม่ได้พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ า, ขาต่อไปก็ล้างความเห็นผิดนะว่าขันห้าเป็นตัวเรามีตัวเราในขันห้ามีตัวเรานอกขันห้าจะเห็นว่าไม่มีเราถัดจากนั้นก็มาดูต่อไปอีกนะดูขันห้าอย่างเดิมนั่นแหละจนะเห็นความจริงนะว่า ขันห้านี้เป็นทุกข์ล้วนๆขันห้าไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษจิตจะสลัดคืนขันห้าไปแต่มันคืนเป็นลําดับลําดับนะมันจะคืนรูปก่อนคืนกายก่อนพระนาคามีเนี่ยท่านไม่ยึดกายและไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัวทัพพรงินท่านไม่มีความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัวทพะการกับปฏิฆะท่านไม่มีเนี่ยทาลายการกับปฏิฆะได้เพราะมีปัญญารู้แจ้งเลย รูปเสียงกลิ่นรสโปรดทัพพระเป็นของไม่ดีเป็นของไม่วิเศษตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วก็ปล่อยไม่หยุดหลังจากนั้นจะเข้ามาที่จิตดวงเดียวเข้ามาที่ตัวรู้ดวงเดียวนี่เองอาศัยตัวรู้นี่แหละไปเรียนาธาตุเรียนขันจนเห็นความจริงของาธาตุของขันทั้งหลายปล่อยวางาธาตุขันทั้งหลายแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของตัวรู้นี้อีกทีหนึ่งจะเห็นมาตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษ ถ้เห็นแล้วมันจะวางตัวรู้นะอย่ปล่อยตัวรู้ทิ้งไปตรงนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่แบบพลิกลิกฟ้าคว่ำดินเลยทํำนองนั้นนะวัตถจักรถล่มทลายลงต่อหน้าต่อ ต, อตาเราเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์นะต้องภาวนาวเป็นปาฏิหาริย์จนตัวไม่รู้จะปาฏิหาริย์ยังไงเลยนะถ้าจากนั้นเนียจิตจะเปลี่ยนไปจิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว จิตของเราทุกวันนี้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีมีความปรุงแต่งมีความทุกข์มีความบีบคั้นเมื่อปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วตัวรู้นั่นมนันแปลสภาพจากจิตผู้รู้นะไปเป็นาธาตุห น, นึ่งไปเป็นาธาตุรู้าธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่าธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นะ จิตของพวกเราเป็นจิตปนเปื้อนด้วยอวิชชางั้นบางคนเือสอนกันเพี้ยนเพียนบางคนก็ไปสอนบอกจิตของทุกคนดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเอาอะไรสักอย่างจิตมันดีอยู่แล้วถ้าเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็พ้นทุกข์อันนี้เข้าใจผิดจิตของเราไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจิตของเราโง่อยู่แล้วจิตของเรามีอวิชชายืนพื้นมีอนุสัยมีอาสวะซ่อนเร้นอยู่เต็มไปหมดจิตของเราปนเปื้อน ใครเคยใช้ตุ่มน้ำมั้งน้ำในตุ่มสังเกตไหมรองน้ำใส่ตุ่มไหมนะตะกอนมันลงไปอยู่ก้นตุ่มน้ำมันใสน้ำใสนะน้ำบริสุทธิ์ไหมน้ำไม่บริสุทธิ์น้ำแค่ใสนะพอมีสิ่งที่มากระทบตะกอนมันก็ฟุ้งขึ้นมาน้ำก็โสโครกให้ดูละจิตนี้ก็เหมือนกันจิตของปุถุชนจิตของพระโสดาจิตของพระสกทาคาจิตของพระอนาคาเป็นจิตที่ยังมีตะกอนอยู่ พอมีผัสสะมากระทบนะเหมือนเราเอามือไปแกว่งน้ำนะํำตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตนี้ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะแต่จิตนั้นผ่องใสเศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จอนมาแต่ไม่บริสุทธิ์หรอกเราต้องชําระล้างจิตของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาโดยเฉพาะปัญญานะั้นเป็นตัวชําระล้างที่วิเศษที่สุดแต่จะมีปัญญาได้ต้องมีศีลต้องมีสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิต จิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละคือจิต ท, ที่ส่งสมาธิที่จะใช้เดินตัญญาเะฉนั้นเราต้องฝึกนะพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจิตมันกลายเป็นาธาตุรู้ไปเป็นาธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรผลเปื้อนไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงนะต้องฝึกเอานะเป็นบุญของพวกเราหนักหนาแล้วนะที่ เกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นคนส่วนน้อยในโลกนะเราอย่านึกว่าศาสนาพุทธของเราเข้มแข็งนะศา ส, สนาพุทธน่ะใกล้จะหมดเต็มทีแล้วจะหมดหรือไม่หมดมันอยู่ที่พวกเรานี่แหละว่าเราจะสืบทอดต่อไปได้หรือเปล่าขั้นแรกเราต้องเรียนให้ได้ก่อนปฏิบัติให้ได้ก่อนแล้วช่วยกันประกาศธรรมะออกไปถ้าพวกเราก็ไม่รู้เรื่องาจะไปประกาศอะไร ไปประกาศสิ่งที่ผิดผิดเช่นประกาศว่าไม่ต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องทำทุกอย่างดีอยู่แล้วอันนี้เป็นรัตติมิจฉาทิฏฐินะอักริยะทิฏฐิไม่ต้องมีการกระทำอะไรเลยโลกนี้ว่างเปล่าอยู่แล้วนะเป็นสุญญาตาอยู่แล้วนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเป็นสุญญาตาไม่มีอะไรเลยนะพ่อแม่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสมมติทั้งหมดเลยนะนี่มันมิจฉาทิฏฐินะพวกนัติกาิฏฐิ มิชาทิฏฐิเ ต, เต็มไปหมดเลยนะมันมาแทรกอยู่กับพวกเราชาวพุตนี่แหละนั่นเรียนให้ดีนะศึกษาให้ดีรู้หลักรักษาศีลห้าศีลห้าจำเป็นที่สุดเลยนะจําเป็นกว่าศีลสองรอยีิบเจ็ดอีกศีลห้า น, นั่นแหละจะทําให้เราได้มรดกได้ผลรักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละจิตมีสมาธิแล้ว จากนั้นเจริญปัญญาหาดแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานร่างกายส่วนหนึง่งความสุขความทุกข์ส่วนหนึง่งกุศลอกุศลส่วนหนึง่งจิตที่เป็นผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปปรุงแต่งวิ่งไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกออกไปทํางานดูไปเรื่อยก็ไม่มีตัวเราดูไปเรื่อยมีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวเรามีแต่ตัวทุกข์ถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้ก็ปล่อยวางความยึดถือในขันธ์ห้า ไม่มีปฏิหารอะไรนะอัศจริงยิยย่งกว่าการที่เราแจ้งพระนิพพานหรอกพระนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ไกลพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายไปไหนเลยลพระนิพพานไม่ใช่ของสดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆมรรคผลนั้นเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะแต่พระนิพพานนั้นมีอยู่แล้วจิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นพระนิพพานเท่านั้นเอง ถ้าจิตของเราปนเปื้อนด้วยกิเลสปนเปื้อนด้วยความปรุงแต่งปนเปื้อนด้วยตัณหาเราไปชําระจิตของเรามาซักฟอกจิตของเราทุกวันทุกวันนะถึงวันหนึ่งจิตไม่ปนเปื้อนนะจิตไม่โศกรปรกจิตปราศจากความปรุงแต่งปราศจากตัณหาเราจะเห็นพระนิพพานนะั้นเต็มอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยครูบาอาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกพอไปเห็นนะท่านด่าตัวเองเลยว่าโง่แท้นาะของอยู่ต่อหน้าต่อตาเท่าเนี้ย ไม่รู้จักไม่รู้จักฝึกเข้านะฝึกเข้าไม่รู้จะทำยังไงได้แต่บอกบอกทางให้เดินพวกเราก็ต้องเดินด้วยตัวของเราเองไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกถึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกทางเราต้องเดินด้วยตัวของเราเองแล้วทางใครทางมันด้วยนะไม่ใช่ทางไหนดีกว่าทางไหน คนไหนถนัดทำสมาธิก่อนจเจริญปัญญาทีหลังก็ทำคนไหนถนัดเดินปัญญาก่อนสมาธิเกิดขึ้นทีหลังก็ทำคนไหนชานี้ชํานาญทั้งสมาธิทั้งการเดินปัญญาการดูจิตดูใจนะก็ทำสมาธิกับปัญญาควบกันไปเลยอย่างนั้นก็ได้คนไหนจะใช้ฐานกายก่อนก็ได้ใช้ฐานเวทนาใช้ฐานจิตใช้ฐานธรรมก็ได้ เอย่ายไปเถียงกันอย่ายไปทะเลาะกันด้วยเปลือกของการปฏิบัติด้วยรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของการปฏิบัติหรือเปลือกของการปฏิบัติสํานักน้อนสํานักนี้นะมันก็เหมาะกับคนแต่ละคนไม่ใช่เหมาะกับคนทุกคนไม่มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดหรอกเราต้องดูว่าวิธีใดที่เหมาะกับเราวิธีใดที่ปฏิบัติแล้วสติเกิดบ่อยนะจิตตั้งมั่นบ่อยเห็นความจริงของรูปนา ม, นามเห็นรูปนามแยกกันขันห้าแตกออกอะไรเนี้ย ถนัดวิธีไหนใช้วิธีนั้นแล้วเราก็อยา่าไปเอาอวดว่าวิธีของเราดีกว่าของคนอื่นนะวิธีเราก็ดี ก, กับตัวเราเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าถึงประธานธรรมะเอาไว้ตั้งมากมายนะตำราบอก8 4ด0 0พันระธรรมขันธ์แต่ให้นับนับไม่ถูกสักคนเลยนะมันแหมืน8ี่0 0ยังไงนะทำไมธรรมะต้องมีตั้งมากมายในความเป็นจริงแล้วธรรมะที่จาเป็นสาหรับคนคนหนึ่งนั้นไม่มากหรอก ไม่มากหรอกแต่ธรรมะที่ท่านประทานเอาไว้มากมายเพราะจริตนิสัยของคนนั้นแตกต่างกันมากมายบางคนประนีตบางคนไม่ประนีตบางคนอินทรียาบบางคนอินทรียละเอียดบางคนบารมีมากบางคนบารมีน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันเงื่อนไขไม่เหมือนกันบางคนต้องโขกสับอย่างรุนแรงบางคนต้องทะนุถนอมนันพระพุทธเจ้านะท่านสอนคนได้หลากหลาย คนนี้ควรโขกท่านโขกคนนี้ควรถนอมท่านถนอมแต่ละคนไม่เหมือนกันเงี่ยเราดูวิธีใดที่เหมาะกับตัวเราเองปฏิบัติแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดบ่อยเอาวิธีนั้นแหละถ้าปฏิบัติแล้วหลงหลงเผลอเลอไปก็ไม่เหมาะกับเรานะปฏิหารแค่นี้พอไหมพอเหินเดินอากาศนะั่นไม่ปฏิหารหรอกหลวง พ, พ่อพูด เ, เล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าคนมาถามท่านว่าภาวนามานานเหาะได้ไหมอยากเห็นปาฏิหารบอกเหาะได้ไม่เห็นจะเป็นปาฏิหารเลยเดี๋ยวนี้เขาทําระบินนะคนขึ้นได้จริงตั้งหลายร้อยอออย่างนั้นในวิศวกรมันปาฏิหารเยอะเลยปาฏิหารที่สําคัญนะล้างกิเลสได้สลัดความทุกข์ออกจากตัวเองได้นั่นแหละปาฏิหารสูงสุดของพวกเราชาวพุทธพ้นทุกข์ได้นะเท่านี้ก็แล้วกัน รู้สึกจะเทศนานไปมั้งตั้งชัมม่วโมงการนวัตกรรมของพ่อจะส่งการบ้านมีรสองปีเจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ปัญญามันมันล้ำไปหรือเปล่าอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่สองปีที่ผ่านมาทำถูกหรือเปล่าด้วยเจ้าค่ะทาไมไม่แน่ใจล่ะเห็นกิเลสไหมเห็นเจ้าค่ะเห็นขันแยกออกไหม เห็นเจ้าค่ะโอ้เห็นขันแยกได้ก็ดีแล้วแล้วเป็นกลางไหมเป็นกลางด้วยเจ้าค่ะแน่ใจไหมก็มันรู้แล้วมันก็ดับไปโยก็คิดว่าโยนเออนะ<ๆ>การภาวนาหนะ้าดูของจริงไปเรื่อยนะไม่รีบร้อนแต่ต้องขยันดูทาให้ต่อเนื่องดูบ่อยๆดูเนืองเนืองนานๆดูทีไม่ได้เราดูบ่อยๆดูเนื่งเนืองแนะเห็นขันมันทางานไปเรื่อยจิต ทีแรกมันไม่เป็นกลางหรอกมันยังมียินดียินร้ายอยู่ยังอยากนิพพานไหมอยากได้มากผลไหมขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้เฉยๆแล้วเจ้าค่ะแน่ใจนะหลวพอไม่ค่อยแน่ใจไป <c oughs> ดูๆเอานะไปดูเอาพอเจ้าค่ะมันจะต้องเพียนโยนของโยไม่จะต้องเพียนอีกมากกว่าที่เป็นอยู่เรืยเจ้าค่ะตัวสำคัญนะต้องใจเย็น ใจเย็นนะแต่ดูสม่ําเสมอไปใจร้อนไม่ได้นะใจร้อนไม่สําเร็จหรอกโยอมพึ่งพาโยอมฟาหลวงพ่อมานะาประมาณห้าปียมีมพึ่งพาว่า อ, อความคิดหรือว่าการที่โยอมตั้งใจปฏิบัติเต็มที่และยมพึ่งพาตัวเองได้หรือยังเจ้าค่ะหลวงพ่อว่า อ, อตั้งใจในทางที่เราคิดอะค่ะตั้งใจภาวนาเจ้าค่ะตั้งใจภาวนาะก็ดีแล้วนี่นะ ต้องภาวนาอีก <Okay. S 2> มันยังแปรปรวนได้อยู่ <Okay. S 2> อขอบพระคุณเจ้าค่ะอดทนนะอดทนหลวงพ่อไม่เห็นอะไรสำคัญเหมือนความอดทนเลยการปฏิบัตินะั้นเราต้องทนสารพัดจะทนอย่างทนต่อความขี้เกียจขี้คลานทนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ทนต่อความอยากได้อยากดีต้องทนมากๆเลย แล้วก็ทนแบบทำโดยไม่หวังผลถ้าใจเรายังอยากมีความอยากเชื่อผลอยู่ยังไม่ได้ดีไปดูนะใจยังอยากอยู่ไหมาการนีมาสการถะหลงพ่อส่งการด้านหลวงพ่อทั้งแรกคร่ะอืมอที่โยมที่โยมเห็นการเกิดดับของของสภาวธรรมภายในนี่นะค่ะ ตามความเป็นจริงอในความเป็นอนิจจังของเขาเนี่ยไม่ทราบว่าโยมเห็นด้วยปัญญาหรือว่าเป็นเห็นเห็นจริงจังนะแต่การเห็นนั้นถ้าบางทีเราดูไปรด้วยๆนะใจมันก็โล่งสบายนะะมันโล่งสบายกว้างๆออกข้างนอกนะะอตัวนี้ที่หลวงพ่อเรียกว่าจิตไม่ถึงฐาน่ะมันดูเหมือนสบายดูเหมือนเห็นเกิดดับนะแต่มันเอื้อระเหยไป ย้อนกลับมาดูร่างกายบ่อยๆนะนี่ยจิตเลยกระจายออกนอกไปแล้วไอ้สภาวะที่หมุนหมนเนี่ยมันเป็นอะไรคะหมดนแรงมากเลยเออนะพยายามรู้สึกตัวเข้ามากลับเข้ามารู้สึกนะรู้สึกในกายรู้สึกในใจไม่ปล่อยให้ใจกว้างๆลอยๆออกไปสบายอยู่ข้างนอกนะไม่มีแรงแล้วที่โยมโยมแยกแยกธาตุแยกธาตุแม่ น, นะคือแบบจิตในเข้าจะดูอยู่นานๆจิตในเข้าจะดูอยู่นานๆเออ ได้อยู่ดูห่างๆก็ดีแล้วล่ะแต่อย่าให้จิตมันมันกว้างๆออกข้างนอกไปแล้วนะโยงอยู่ในเส้นทางเนี่ยพยายามกลับมารู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นนะสมาธิไม่ตั้งมัน่นจะหลุดโยไม่เป็นแบบเป็นปัญหาจะหลิดหรือว่าต้องรู้ด้วยตนเองนะมือนไม่ยากหรอกที่จะรู้ให้จิตมันถึงฐานจริงๆนะก็ต้องทาสมาธิ ช่วยได้ยิ่งดีเพราะนั้นใ จ, จที่ว่าจเจริญสติจเจริญปัญญาอยู่นะใจมันลอยๆออกไปเหมือนเห็นนะเหมือนรู้แต่ไม่ถึงฐานแต่อาการแน่นนี่ไม่่อยมีนะอาจารย์อะไร น, นะอาการนนแน่นไม่แน่นหรอกลงใจลอยลอยอย่างนี้ไม่แน่นหรอกใจมันออกนอกหลวงพ่อเคยเป็นคราวหนึ่งเคยไปถามอาจารย์มหาบัว บอกท่านอาจารย์พ่อแม่ครัวอาจารย์สอนให้ผมดูจิตดูใจนะผมก็ดูจิตดูใจมานานทำไมช่วงนี้ไม่พัฒนาเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตมันดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโล่งๆอย่างนี้หละเออโ ล, งล่งทำหน้าให้ดูก็ได้เดินไปอย่งนี้นะกลับเข้ามานะกลับเข้ามาโอปัญญายิ่งกว่นะน้อมกลับเข้ามาให้ได้ ก็ เ, เคยเป็นชํานาญมากเล ย, เยกรรมาฐานผิดๆเนี่ยหลวงพ่อชํานาญมากเลย <c oughs> เคยผิดมาแล้ว <c oughs> ้ออนใช่ย้อนเข้ามานอบกลับเข้ามานะจะเห็นทุกข์ไม่งั้นไม่ไม่ไ ม, มีทุกข์เลยเห็นแต่สุข<า>เห็นไม่เ ท, <า>ที่ยงนะแต่มีความสุขเออมันจะไปอย่างนั้นอ่ะแต่บางครั้งก็เห็นภาพขังอยู่เป็นทุกข์ใช่ต้องทนดูนะย้อนมาดูทุกข์ให้เยอะๆเลยอ่ะต่อไป สวัสดีครับก็เป็นการส่งกันบ้างครั้งแรกครับตอนนี้ใจเหมือนกลังจะเต้นออกมาจากอย่าให้มันหลุดออกมาลนะ <laughs> <c oughs> มันตื่นเต้นมากแล้วมันน่ากลัวนะก็เมื่อกี้เผลอเพ่งไปจนคอเคล็ดตอนที่ฟั ง, ฟงนี่แหละแต่หันไปใหม่เป็นทุกคนล่ะทำกรรมฐ า, านวนคอเคล็ดนะคอเคล็ดตัวแข็งเลยโเนาะพอฟังธรรมะเสร็จอ้อน เพราะมันโลภเริ่มมาจากโลภนะอยากปฏิบัติอยากดีก็ไปเพ่งเอาเพ่งเอาตอนแรกก็ไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่สบายเออรู้สึกว่าไม่สบายกายมันสุดโต่งกันสองฝั่งนะคนที่สองน่ะสบายสบายคนที่สามมาเพ่งไปไม่สบายอันหนึ่งมันหย่อนไปอันหนึ่งมันตึงไปก็เวลากิเลสเกิดขึ้นมาในจิตใจบางทีเราก็รู้สึกว่าบางทีก็ไม่แพ่บางทีก็เพ่ อืมก็ไอ้ที่มีปัญหาคือไอ้ที่เพ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเพ่งอืมนั่นแหละปัญหาแต่เพ่งเรารู้ว่าเพ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนผ่านบางทีผ่านไปเป็นวันกว่าจะรู้ เ, เรารู้แล้วโมโห อ, อีกนะดูไม่ออกว่ามันเป็นอะไรก็หงุดหงิดนะหงุดหงิดเ <laughs> ออให้รู้ทันว่ามันหงุดหงิดเนาะหงุดหงิดก็ หงุดหงิดแล้วก็จะหายหงุดหงิดยไงก็ไม่รู้ว่าจะหายหงุหงิดไม่ได้ให้หายหงุดหงิดให้เห็นว่าความหงุดหงิดก็เป็นแค่สภาวะธรรมเกิดแล้วก็ดับไปวัน<ป>นั้นหงุดหงิดไปเกือบทั้งวันเลยครับเ อ, ออย่าห ง, งุดหงิดเนาะชี้หงุดหงิดนะแต่รู้อย่างที่มันเป็นไม่มีอะไรหรอกคนแรกค่อยๆฝึกไปนะที่ทํามันก็ดีอยู่หรอกการนำพิการหลวพ่อครับผมฟังซีดี หลวงพ่ออีกีสามจากอินเอร์เน็ตครับ ม, มาได้สักพักหนึ่งแล้วฮ ะ, ะอืแล้วก็พบ ว, ว่าหลังจากฟังแล้วเนี่ยก็ถามเองว่าเอ๊ะสิ่ที่หลวงพ่อพูดอ่ะมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็รู้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยถูกครับตอนที่ผมเริ่มเริ่มปฏิบัติมาไ ด, ได้สักพักหนึ่งนะครับหลวงพ่ อ, อแรกๆเนี่ยผมยํารับว่ารู้สึกว่าตัวมันจะเบาหวิวตลอดหลังจากหลังจากที่นั่ ง, งนะครับแล้วก็ด้วยด้วยด้วยการทํางานบางอย่างทําให้เรา ไม่สามารถมีสมาธิในแต่ละวันในการทํางานไม่ทราบว่าตรงนี้จะแก้ไขยังไงครับทําไมนะคือาะนานแล้วไม่มีสมาธิในการทํางานคือเราดูสติเดี๋ยวเดี๋ยวงานนั้นนู่นนี่ก็เข้ามาจนจนเราหลงลืมไปตลอดนะครับทํางานแล้วลืมครับไม่เป็นไรเรื่องปกติครับแล้วแล้วมีวิธีแก้แต่ว่าเวลาทํางานสะลุมบอลนะพยายามเบรกตัวเองเป็นช่วง อย่างตอนเดินไปห้องน้ำตอนเดินไปทานข้าวไปอะไรอย่างนี้ค่อยรู้รเอาค่อยรู้เอาปลุกตัวเองขึ้นเป็นช่วงๆตื่นนอนให้ไวขึ้นทำในรูปแบบถ้าเราทำงานหนักๆเนี่ยเรากะไ้ไปปฏิบัติในรูปแบบตอนกลางคืนเราไม่มีแรงแล เ, เราเล่นตั้งแต่ตื่นเลยกลางวันทานข้าวแล้วมีเวลาก็าเดินจงกลม่เราไม่ต้องเดินให้คนอื่นรู้ก็ได้ เราทาเป็นเดินไปเดินมานะใเดินด้วยความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อแอบปฏิบัติอยู่ท่ามกลางผู้คนนะเขาไม่รู้ว่าเราปฏิบัติหรอกถ้าเราไปทําตัวเป็นนักปฏิบัตินะพอ ถ, ถึงเวลาก็ไปเดินอย่างนี้เขาก็ว่าเราบ้าเนระับ <c oughs> เพราะอะไรเพราะเราอยู่กับคนบ้า <c oughs> เราก็ต้องรู้ว่าอยู่กับคนบ้าแเราทําตัวให้เหมือนคนบ้านะทําให้เป็นหลงๆไปงั้นแต่ว่าใจเราภาวนาที่ทําอยู่ใช้ได้นะดีแล้วละ่ะ ขอบคุณมากครับทำถูกแล้วกราบนรมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าที่โยมปฏิบัติมาตลอดนี้ถูกต้องหรือยังคะอะไรนะถามที่ปฏิบัติมาตลอดเนี่ยค่ะถูกต้องหรือยังเจ้าค่ะถามอย่างนี้นะ่ตอบลำบากนะศีลดีขึ้นไหม บางครั้งก็ผิดข้อหนึ่งเนี่ยเราวัดได้นะว่าเราเราทำถูกหรือไม่ถูกยุ่งหรือมดนะคะยุ่งหรือมดนะคะทำให้ผิดศีลอยู่บ่อยๆนะเราดูนะเวลาใจเราเกลียดยุ่งใจเราเกลียดมดนะเรารู้ทันสงสารมันนะมันอุตสาหากินนะเดินแทบตายเลยมันมันน่าสงสารยุ่งก็น่าสงสารนะเราต้องเคารพสิทธิสตรีบ้าง มันมาขอเลือดเราแล้วไปจะไปออกไข่นิดเดียวเองเราตัดสินประหารชีวิตมันโทษรักทรัพย์เองอ่ะเจ้าค่ะแล้วขอรัอบเรียนถามอีกข้อหนึ่งขอลงโจมโยมมัดอย่างนี้นะว่าเราก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่า ค, คือศีลเราดีขึ้นไหมจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยขึ้นไหมเจรเรารู้ทันนะกิเลสรู้ทันอะไรที่เกิดขึ้นมาเห็นทุกอย่างมาเราไปไหม ถ้าศีลเราดีขึ้นจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตรเรามาแล้วก็ไปอย่ันนี้เราก็พัฒนาขึ้นเราวัดด้วยตัวเราเองได้เจ้าค่ะขอกราบเรียนเมตตาจากหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งก็คือขอหลวงพ่อเอเมตตาให้คําแนะนําเพิ่มเติมแก่โยมด้วยเจ้าค่ะเออหนะ้าอย่าไปบี้บดเนาะ <c oughs> เราฝึกทุกวันนะฝึกไปเจ้าค่ะเจริญเมตตาเจริญในใจเรามีความสุขเมื่อเสร็จแล้วเราก็คอยดูไปทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวในชีวิตเรานะเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์ความทุกข์เข้ามาแล้วความทุกข์เขาก็ไปความสุขเข้ามาแล้วความสุขเขาก็ไปทุกอย่างในชีวิตเรามีแต่ของที่มาแล้วก็ไปดูอย่างนี้บ่อย นะแลวมันจะพัฒนานะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะกลับนมาสกกนหลวงพ่อค่ะเออหลงพ่อไม่ดูจัดส่งการบ้านยังไงคือ <ừ> ไม่ได้เตรียมตัวไว้ด้วยนะ <ừ> แต่เท่าที่ปฏิบัติเนีนหผมพยายามโยมจะพยายามปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนะคะแต่การนั่งสมาธิองโยมเชอ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าไม่ฟุ้งก็จะหลับไปเล ย, ยนี้นนะค่ะคือถ้าใจเราเป็นคนช่างฟุ้งนะเราก็ต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้พยายามบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรก็ได้ใจมันฟุ้งซ่านแล้วคอยรู้ทันมันไม่ฟุ้งอย่างเดียวหรอกมันขี้โมโหด้วยนะอ๋อใช่ค่ะ <laughs> เราก็รู้ <laughs> ทันแล้นะแล้วก็ยมสังเกตว่ายมใจเหมือนจะแยกเอความคิด ควงแสงสังขารออกจากรูปแต่ไม่แน่ใจว่าโยามคิดเอาหรือว่าเห็นเห็นเองหรือว่าตั้งใจที่จะไปคิดที่จะไปแยกมันนะ่ะเออจงใจมากไปนะจงใจพ อ, <ๆ>อแย ก, ม, ออก ม, มันออกก็โมโหมันอีกก็หัวเรอะแ <c oughs> ย, ยังไงเพ อ, อมีคนทักมาเยอะว่าเอาเอโยมีชอบทำนิปพาเสนอไม่ใช่ใศาสนาก็เหมือน <c oughs> อคิดเอาอะค่ะเหมือนคงจะปัญญาล้ำหน้าเออปัญญาล้ำหน้านะเก่งเนี่ยรู้ว่าปัญญาล้ำหน้าแต่ว่าโยมสังเกตไม่รู้ว่าปฏิบัติดีขึ้นไหมแต่ว่าโยมรู้สึกว่าจิตโยมอะมันโง่ยิ่งดูยิ่งเห็นว่ามันโง่นะคะไม่เป็นไรโง่ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกว่ามันฉลาดมากเนี่ยนะน่ากลัวกว่าโง่อย แล้วก็มันชอบหลงตัวเองด้วยแล้วก็ข้างๆตัวเองแล้วคิดปรุงแต่งไปทั่วแล้วก็ให้เรารู้ทันนะให้กันบ้านเหมือนไม่มีความจริงเลยนะคะเวลาปรุงแ่ที่อยู่ข้างๆช่วยสกิดนิดนึงรู้สึกตัวบ่อยๆนะให้กันบ้านนะค่ะฟังนะคุยน้อยๆยถ้าเราคุยเยอะๆนะใจเราจะฟุ้งเยอะแล้วก็ดูใจมันชอบหงุดหงิด มันชี้งวดหงิดงรู้มันบ่อยๆโยมมีคาถามาีข้อนอึงนะคะตั้งแต่โยมเส้นเลือสมองแตกโ ย, ยมจะมีภาวะงวดหงิดงแล้วก็ซึมเศร้าด้วยดูเหมือนจิตโยมมันต้องการที่ยึดเหนี่ยวมันจะไม่พึ่งตัวเองอะคะ่ะใช่แค่ไปหาที่เกาะเกี่ยวใครสักคน<า>โยมก็เอยทำไมเป็นอย่างเนี้ยถ้าไม่มีที่ก็ซึมซมเศร้า ๆ, ๆอย่างเนี้เนาะ แต่ก็หมอเขาให้ยามาทานเนะเขาบอกว่าเป็นแค่ภาวะอแทรกซสอนนานยังไม่ถึงกับโลกพยาย า, พยายามรู้สึกตัวให้เยอะๆนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอะคนต่อไปนะนนไม่งั้นโยมคนนี้จะคุยไปถึงพรุ่งนี้กราบนอบน้อมคุณครูบาอาจารย์ค่ะโยมคนนี้มีบทไหเราะมาก <c oughs> หนูปฏิบัติธรรมแล้วก็เพี้ยนอะนะคะแล้วพระอาจารย์กฤินิมโลท่านแก้กรรมฐานให้แล้วท่านสอนให้ดูจิตแล้วท่านให้ซีดีของหลวงพ่อประโมทมา ม, มาฟังนะคะแล้วความสงสัยในสภาวะธรรมทุกอย่างก็มีคำตอบในซีดีหมดแล้วนะคะเมื่อครั้งก่อนหลวงพ่อให้กรรมฐานว่าอย่าหลงคิดอย่าประคองตัวรู้อย่าโน้มเข้าไปในความว่าง หนูก็ทำตามนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่มีสาระอะไรเลยถ้าเราอยู่ในสามอย่างนี้แล้วนะคะแล้วทีนี้พอหนูฟังซีดีของหลวงพ่อสภาวะทุกอย่างก็เข้าใจแล้วหนูก็คิดว่าหนูเห็นฟังแล้วหนูก็มาพิจารณาดูว่าจิตเราหลอกจิตหรือเปล่าขอเมตตาหลวงพ่อ ช่วยแนะนำด้วยค่ะเรารู้ลูกเดียวเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะไม่ดีเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วไปพยายามดูไปเรื่อยเราเป็นแค่คนดูดูไปอย่างเป็นกลางนะอย่าไปรักษาจิตอย่าไปประคองให้นิ่งๆ น, นะปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วก็คอยรู้คอยดูเอารู้จักใจลอยไหมรู้จักค่ะเออนะถ้าใจลอยไปเรารู้ทันเอา แล้วมันเหมือนสภาวะมันไม่ย้อนมาที่กายนะคะมัน<ช>จะอ ย, อยู่ที่แต่แค่ตัวจิตเ่ะน้ามันเข้าไปท้างไหนเยอะไปนะพยายามรู้สึกร่างกายให้เยอะขึ้นหน่อยร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะไรู้กายอย่ยให้มันถล่เข้าลึกเข้าไปท้างไหนมากไปค่ะแล้วก็วิบากที่ได้รับก็คือช่วงก่อนนี้ออทำกรรมฐานแบบสมาถะาใช่ไหมคะ แล้วก็ไปหลงหลงติดเทพหลงไปเป็นร่างทรงอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้วิบากที่ได้รับตอนนี้พอเรามาเข้าเดินสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิบากคือมันทั้งหนักทั้งแน่นอืแล้วเวลาเจอเจอเออ่พลังอืหลายๆอย่างของการอของของผู้มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะหนักจะแน่นก็เราก็ไม่แก้มันดูมันไปแต่ทีนี้มันเหมือนเป็นไม่มให้รู้ทันน ะ, ะนะให้รู้เข้ามาถึงจิตถึงใจ พอมันหนักแล้วจิตเราไม่ชอบไม่รู้ทันจิตเราสงสัยให้รู้ทันจิตกังวลให้รู้ทันไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยย้อนมารู้ทันจิตไหมแล้วถ้าเทพรมอะไรเ้าจะมานะก็บอกเขาว่าให้มาอนุโมทนาเราจะภาวนาจะได้ได้บุญด้วยกันอย่ามากวางนะค่ะหลวงพ่อคะแล้วการที่หนูเข้าใจการเข้าพบภูมิของจิตเนี่ยหนูเออแล้วก็การหนูเห็นวตัตตานะคะ แต่มันคงไม่เข้าถึงอวิชชาหรอกแต่ว่าเห็นขั้นปลายปลายเนี่ยโสกะปริเทวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเข้าใจของจิตเองหรือว่าปัญญาหนูล้ําหน้าไปคะอันนี้ปัญญาล้ําไปนิดนึงนะแต่จิตเรายังไม่ได้ตั้งมั่นมากๆขกพอค่ะถ้าสมมติว่าเออถ้าจิตมันจะเข้าใจด้วยตัวจิตเองเนี่ยมันจะรู้เองเออ ม, ม, มันจะปล่อยว่าเออมันจะต้องเข้ามาถึงฐานจริงๆนะ เวลาที่จิตจะเกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดมากเกิดผลอะไรนี้จิตจะรวมเข้าถึงฐานของมันแท้ๆเลยลถ้ามันยังลอยๆอยู่ไม่เป็นค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าไตรลักษณ์จะเกิดส่วนมากจะเกิดตรงอนัตตานะคะถูกไแล้วแต่ถนัดบางคนถนัดเห็นอนัตตาก็รูอนัตตาไปแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแล้วหนูต้องทายังไงต่อไปคะหลวงพ่อ ก็ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วก็ดูท่าตูขันก็ทํางานไปเรื่อยค่ะแล้วแต่บุญบารมีใช่ไหมคะเราสร้างบุญบารมีเราไม่แลกแต่บุญบารมีนะเราสะสมคุณงามความดีไปเรื่อยเราไม่ได้ปล่อยสเป ส, สป่าไปหรอกพักเพียรปฏิบัติไปรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูท่าตูขันเขาทางานดูด้วยจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลาง เนี่ยเราเพิ่มบุญเพิ่มบารมีของเราไปเรื่อยขอคําถามอีกข้อหนึ่งค่ะเออแล้วจิตมันก็สงสัยในตัวจิตเองว่าทําไมเราเหมือนยังกับว่าเราเออเรารอรับเหมือนเหมือนดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเรารับลูกบอลแล้วจิตมันก็ค้นหาว่าทําไมเราไม่ไปดูแหล่งที่ส่งลูกบอลมาเลยเ่อาองนะไม่ต้องไปเทีย่ยว <ไป S 2> หาะนะไม่ได้รอรับมันมาแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูนะ อย่าไปเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้ดูถ้าไปเฝ้ารอแล้วจิตจะทื่อๆไปแล้วก็ไม่ต้องไปค้นหาแหล่งของมันหลวงพ่อเคยทํานะค้นเข้าไปข้างในลึกๆเลยเที่ยวหาลึกลงไปอยากดูเลยว่าต้นต่อของกิเลส ม, มันผุดขึ้นมาจากที่ไหนเข้าไปลึกมากเลยลึกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเลยไปเจอหลวงปู่สิมเข้าหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้รออกมาอยู่ข้างนอกนี่อย่าหลงเข้าไปอยู่ข้างใน ค่ะไปทำต่อไปค่ะครับคุณ <c oughs> ค่ะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วล่ะกราบน้ำมศการหลวงพ่อครับผมเจอสภาวะธรรมตรงที่จิตออกจากร่างแล้วไปเห็นไรเห็นตัวครับผมไม่ไม่ต้องพนมือนะถือไม่บแบบนี้ครับตั้ง<ม>ตั้งตะแคงเข้าหาตัวนะเห็นเห็นร่างกายตัวเองอะครับเห็นเห็น เพียงครั้งเดียวอะครับแล้วต่อไปนี้ปฏิบัติอีกนี้ไม่เห็นเลยครับผมเห็นยังไงเห็นยังไงเห็นเห็นเรื่องกายนี้เป็นแดงๆเป็นเป็นรูปร่างครับผมอืเห็นตัวจริงนี้หรือหรือเป็นนิมิตเป็นคล้ายๆนิมิตครับผมอ๋อไม่เป็นไรเห็นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะถ้าปฏิบัติครั้งต่อไปก็ไม่ไม่เกิดสะาว่านี้อีกครับไม่ไม่ต้องไปอยากได้มันนะะไม่สาคัญหรอกครับผมสําคัญที่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันไหม เช่นเราอยากจะเห็นในตัวแดงๆนี่อีกรู้ว่าอยากละให้รู้ทันกิเลสนะดีกว่ารู้ทันนิมิตครับผมพยายามไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเราเลยจิตเราเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้นะจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้คอรู้เข้ามาให้ถึงจิตจริงๆนิมิตไม่จาเป็นหรอกเห็นก็สนุกดีแต่ไม่จาเป็นครับผมกราบขอพระคุณครับ กับมรดการพระอาจารย์ครับส่งการบ้านในรอบสองปีรายงานฟาร์มก้าวหน้าก่อนนะครับวิหารธรรมที่หลวงพ่อให้ไว้เดิมภาวนาพุโตหลวงพ่อว่าพุโตไปจิตแอบไปคิดกร็รู้จิตแอบไปหลงก็รู้สติเกิดขึ้นปล่อยขึ้น ม, มากขึ้นรู้ทันขึ้นก็มองเห็นสภาวะคราวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งเวลาโทสะเกิด รู้ปั๊บมันซึมมันแช่ครับหลวงพ่อรู้ว่าโทสะเกิดบางทีหลุดหลุดพล้วมันก็แสดงอิจฉลิตออกมาคุ้มไม่อยู่คิดโทสะเรื่องเดิมเล้ยวกลับไปคิดะจะว่าจิตกำลังมันตกไปหรือสภาวะมันปรับไม่ทันอันนี้เป็นข้อแรกที่จะขอคำแนะนำท่านอาจารย์นะครับข้อที่สองการดูกายดูจิตเวลาภาวนา ก็เอาจิตดูดูกายเหมือนเหมือนที่หลวงพ่อว่าให้เลือกดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดูพอดูก็เห็นกายก็ดูสภาวะปกติมิยังไม่ได้แยกไม่ได้อะไรแตมันเกิดสังเวชเขาเห็นมันทุกข์มันทุกข์คร น, นี้ทุกข์ทั้งกายทั้งใจมันมันสลดเห็นความลําบากของการเกิด อ, อันนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดกตัวปัญญาหรือว่ามันเกิดจากจิตมันอ่อนแอไม่ทราบน ะ, ะ ไ, มไม่อ่อนแอ น, นะ ภาวานาถูกนะเวลาแต่เดิมถ้าเราเพ่งๆอยู่แล้วเราเลิกเพ่งเนี่ยโทสะมันจะแรงนะเป็นปกติแล้วเราเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะที่ทําอยู่นะดีอยู่หรอต้อ ง, งปเปลี่ยนไหมสองปีนี้ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปครับจิตเปลี่ยนไปนั่แหละดีแล้วก็เป็นด้วยบา ร, รมีหลวงพ่อที่ให้ธรรมะแล้วก็พยายามไปฝึก ยาวัาาวงเป็นลูกศิษย์ที่ระวังอันหนึ่งนะก็แล้วกันนะเวลาเราดูไปด้วยเวทีมันสบายนะโล่งว่างไปเราระวังไอ้ตัวน<อ>ที่มันจะไปติดในความว่างก็แล้วกันอ๋อมันจะหลุดออกไป<น>ไปอยู่ที่เกาะที่ตัวนั้นใช่ไหมครับน่าจ ะ, ะาระวังมันไปเกาะที่ตัวบ้างพยายามมาดูเกาะมาดูกายดูใจของเราอย่าให้ไปเกาะในว่างครับครั บ, รบมีข้ออะไรที่จะขอคำหลวงพ่อจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมไหมครับนี่ไงแหละเราให้ระวังตัวนี้แหละ ครั บ, รบพอภาวนาถัดจากนี้ไปมันจะค่อยมีความสุขนะโล่งว่างไปบางที่จิตไปเพลินอยู่ค่อยดูกายคอยดูใจรู้ทุกข์ไปได้ครับสิ่งที่ปฏิบัติดีโปรดชอบมาได้ก้าวหน้าในธรรมก็ขอถวายเป็นปูชาค ร, นะรูบาอาจารย์และภระรัตคตรับจารุนะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ <moon> uh เป็นครั้งแรกที่โยมได้ส่งการบ้านแล้วก uh ็ไ huh. ด <pi> <pi irsiniz> ้ฟังธรรมบรรยายของหลวงพ่อโยมเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิและฝึกเดินจงกรมได้ประมาณเดือนเศษๆช่วงนี้จะนั่งสมาธิก่อนนอนช่วงชงขบค่้งประมาณชั่วโมงหนึ่งวันละชั่วโมงอและตอนเช้าตื่นตีสี่ก็จะเดินจงกรมจนถึงหกโมงเช้ามีปัญหาการนั่งสมาธิกับเดินจงกรมรังนี้นะคะ เวลานั่งสมาธิเนี่ยพออใช้ใช้ภาวนาพุทธโธทําให้มีสติดีขึ้นแล้วก็พอเริ่มจะเป็นสมาธิเนี่ยภาวนาพุทธโธจะหายไปคือเราจะลืมพุทธโธไปแต่มีสติอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายจะหายไปแต่เรามีสติรู้ตัวอยู่เ อ, อั น, นได้เราเราไม่ทราบว่าจะพิจารณาหรือทําอย่างไรต่อไปเพราะว่าเราจะกลัวพอ พอพุทโธหายแล้วร่างกายหายจะรู้สึกกลัวแล้วจะกลับกลับไปคว้าหาพุทโธมาภาวนานใหม่กลัวดูจิตไปเลยพอกลัวแล้วรู้ทันว่าจิตมันกลัวอยู่นะดูไปที่ความรู้สึกกลัวความรู้สึกกลัวก็จะหายไปจิตจะตั้งมัน่นเด่นดวงอยู่แนละ้วร่างกายไม่มีแล้วจิตก็ยังเด่นอยู่นะออกจากสมาธิมาแล้วมีร่างกายขึ้นมันก็ดูไปเลยร่างกายนี้มันเหมือนเปลือกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะที่จิตมาใัใายอยู่มันทํางานไปเรื่อยไม่มีตัวเรา เพราะฉนั้นเวลาที่จิตรวมไปร่างกายหายไปก็ดีแล้วล่ะแต่ถ้ามันกลัวให้ดูจิตไปดูว่าดูสาเหตุความกลัวช่ไม่ต้องไม่ต้องค้นคว้าครู้เข้าไปซื่อเลยรู้ว่ากลัวเู้เห็นจิตมันกําลังกลัวอยู่ะดูไปดูไปความกลัวกระเด็นออกไปนะหายไปเลยออืแล้วความกลัวหายไปจิตก็ทรงตัวเด่นดวงอยู่แล้วต้องพิจารณาร่างกายด้วยไหมคะ ตอนจิตเป็นสมาธิอยู่ไม่ต้องพิจาณาค่ะไม่มีร่างกายให้พิจรณาตอนมันถอยออกมาแล้วพิจารณาเลยก็ได้ค่ะน ะ, ะมีปัญหาในการเดินจงกรมอีกอย่างคือเราชอบไปพะวงตรงที่ว่าเท้าขวาเท้าซ้ายกลัวว่าจะจิตจะฟุ้งออกไปข้างนอกก็จะพะวงอยู่ตรงนี้คือเดินกลัวอะไรนะกลัวอะไรนะ เรากลัวว่าจิตมันจะฟุ้งไปคิดข้างนอกเราก็จะพวงจดจ่อยอยู่กับเท้าอะคะ่ะมากไปเรื่องอะไรเราต้องเอาจิตไปไว้ที่เท้าล่ะจะแก้อย่างไรดีรค่ะเรานั่งเดินไปนะเราก็เห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูสบายสบายไปมันเดินแล้วมันหนีไปคิดเรารู้ทันว่ามันหนีไปคิดไม่ต้องห้ามมันหรอกแค่รู้ทันมันไปมไม่งาอ้นจะเครียดไปอัอนันเี๋เราเคร่งเครียดนะ<า>ต่อไปกราบ ข, ขอพระคุณนี่เขาว่าไหมเนี่ยหลวงพ่อวันนี้เทศยาว เป็นเลยสี่มงครึ่งไปแล้วนั่นคกี่โมงเนาะอ๋อยังไม่หมดเวลาครับการนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาประมาณสามปีแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าแนวทางที่ปฏิบัติมาจะทราบได้อย่างไงครับว่าพิสูจน์แล้วว่าเราเดินทางมาถูกต้องแล้วเห็นกิเลสไหมไม่คิดอย่างนี้เห็นร่างกายตัวเองไหมเห็นครับเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันอ้าปากมันหุบปากมันพยักหน้า เห็นไหบถ้าเห็นได้อย่างนั้นนะ <S <S นะก็สแสดงว่าถนัดดูกายมากกว่าดูจิตถนัดดูกายเราก็ดูกายเรื่อยไปนะใจเราเป็นแค่คนดูรู้สึกไหมร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะใจเราอยู่ข้างในใจเราเป็นคนดูอยู่ดูไปเรื่อยจเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกคืออย่างนี้ก็ใช้ได้คขอบคุณมากครับกลับนะับศการหลวงพ่อครับ อ, อสามปีแล้วที่ปฏิบัติแล้วก็ ฟังซีดีหลวงพ่อมานะมันมีสภาวะหนึงเวลารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เบาและมีความสุขใช่ไห ม, มครับแล้วก็ปล่อยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้ น, นีแล้วก็รู้สึกตัวใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอแล้วก็เบามีความสุขความโกรธที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกันพอเราเข้าไปเห็นปุ๊บเนี่ยแต่ความโกรธนี่จะแรงหน่อยนึงคือมันไม่หายเลย มันเป็นเพราะอะไรดึงไม่หายของเราเดี๋ยวไปอยากหายเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้จิตเรามีความสุขเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้เกิดความโกรธหรือให้ความโกรธดับเร็วๆเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะอยู่ในอำนาจบังคับที่แท้จริงเลยจิตที่โลงก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไม่โลงก็อยู่ชั่วคราวจิตกโกรธก็อยู่ชั่วคราวดูทุกอย่าง ให้เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ได้ดูเพื่อจะเอาอะไรนะไม่ใช่ดูว่าห้ามโกรธไม่ใช่มีอีกคำถามหนึ่งค ร, รับคือที่ทำมาเนี่ยผมเดินมาถูกทางหรือยังครับหลวงพอ่อถูกสิถูกดีไหมเอแต่ว่าอย่าตั้งเป้า <laughs> ให้ผิดก็แล้วกันเราไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาสงบนะ ถ้ามีสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วมันจะมีความสุขเบาละมุนละไมก็แค่รู้ก็เห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวครับ <N ic> นะใช่มันอยู่ชั่วคราวจริงๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูลงเป็นไตรักรแล้วไม่พลาด<อ>นะแต่ถ้าดูเพื่อจะเอาความสุขดูเพื่อจะไม่ให้โกรธจะเอาอันนี้จะไม่เอาอันนี้อันนี้ไม่ถูกเป้าหมายไม่ถูกมันอยู่ได้แป๊บเดียวใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเราต้องการให้จิตมันยอมรับตัวนี้ ถ้าจิตมันยอมรับได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดามันะจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวบลเลยพระโสดาบันท่านรู้แค่นั้นเองโอ oh, สาธุสาธุแล้วเราจะรู้อะไรเยอะกว่าพระโสดาหร oh. อเอาแค่นั้นก็พอสาทุนักรัชาการครับหลวงพ่อขอโอกาสส่งกันบ้านสติอัตโนมัติเห็นรูปน้ำเกิดดับทั่วกาย เห็นอ่าสมาธิอัตโนมัติไม่สามารถบังคับได้อือยู่กับคนแตกหน้าที่เคยคุ้นมันเห็นรูปน้ำกระดับกระดับอยู่ตลอดอืทั้งทั้งกายทั่วกายอืมครับเราจะเอาอะไรก็ก็เห็นแต่ว่าเห็นแต่รูปกํำนามมันทํางานครับเออมันทํางานอย่าง<ห>นั้นเลยนะแล้ ว, นะวมัน มันไม่มีเจตนาครับอืมคือข้ามพ้นเจตนากลายเป็นธรรมดาไปเลยครับอืมว่าจะทําอะไรก็กลายเป็นเป็นเป็นแค่ธรรมดาไปหมดเลยอืมคําว่าอยาบนี่มันมันหายไปครับแต่เราต้องรู้ทันนะระทีกิเลสเนี่ยมีหลายชั้นครับกิเลสหยาบเรารู้แล้วกิเลสละเอียดบางทีเรารู้ไม่ทันนะนไปเจตนาซ้อนอยู่ข้างไหนก็มีครับเจตนาจะไม่เจตนาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ทันไปด้วยครับม แล้วไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนําให้ผมทําขั้นต่อไปครับนี่ไงหลวงพ่อแนะแล้วนะครับผมจะรู้ทันมันเข้าไปครรับคับจิตหลุดพ้นหรือยังรู้สึกว่าห่างครับเอ้ไม่มันห่างอะไรมันมันถูกรู้ถูกดูไปไปหมดมีอยู่แค่สองอย่างครับไม่มีเจตนาหรือครับถ้าไม่มีเจตนาความคือไม่มีการกระทํากรรมแล้วนะใช่ครับเออถ้าไม่มีกรรมก็ต้องเป็นพระละหัน่ะ มีมีศีลอยู่ข้อเดียวครับคือศีนข้อเดียวที่ใจครับเดี๋ยวนี้อืครับพอเห็นเจตนาจะตบยุงปุ๊บมันเคลื่อนไปหรอกมันแล้วมันก็หยุดปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เอาศีนออกนะครับผมเราไม่ได้เอาอะไรหรอกเราให้เห็นไปเรื่อยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยครับผม่ะดูอย่างนั้นไปตัวตนมันหายไปครับอืครับมันหายไปแบบสองปีแล้วับรนะระวังอย่างหนึ่งปัญญาอย่าให้ล้ําไปนะ ครับผมขอคุณครับอย่าให้ลำ้ำเปัญญาล้ำไปครับผมแล น, นี้ก็คือผู้โชคดีทัง้งสิสามท่านนะคะที่ได้มีโอกาสส่งกันบ้านค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะที่พวกเราชาวเชียงใหม่นะคะจะได้พบกับหลวงพ่อนะคะมีน้อยนักเจ้าค่ะในเวละอันเป็นมงคล น, นี้นะคะอยากจะขอน้อมกราบหลวงพ่ออีกครั้งได้เมตานํำพวกเราที่อยู่ณที่นี่นะคะ นำเจริญสติภาวนาเป็นเวลาห้าสิบนาทีเจ้าค่ะเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ ร, รมราชินีนาเจ้าค่ะให้นำปฏิบัติเหรออนำเจริญสติอ่านำมีสติอย่าให้ใจมันหลงไปรู้สึกตัวไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทัน ใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำนะจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้ฝึกบ่อยๆลองดูดูซิ5นาทีจะหนีกี่ครั้งจิตเราสงบนะมีความสุขมีความสบายเกิดขึ้นแล้วให้แผ่ความรู้สึกที่เรามีความสุขความสบายถาวายให้แกาอยู่หัวราชินี ให้ท่านได้สัมผัสความรู้สึกกระแสจิตที่มีความสุขอันนี้พอสมควรนะค่อยๆถอยจิตออกมาอย่ลถอยเพ ล, พลียๆแสงให้แรงขึ้น